อาจารย์เจริญพรญาติโยมเมื่อวานใครมาบ้างมาเมื่อวานยกมือซิมีไหมเขาเกือบทั้งหมดเลยนะ <c ười> ใครมาใหม่ยังไม่ได้มาเมื่อวานนี่ยเรามีไม่มากเมื่อวา น, วานหลวงพ่อพยายามบอกพวกเรานะว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นการยกระดับจิตใจของเรา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 ถ้าเราไม่รู้จักอริยสัจสี่เนี่ยเรายังห่างไกลจากความเป็นชาวพุทธมากหัวใจของธรรมะเลยก็คือเรื่องของอริยสัจอริยสัจเนี่ยเป็นธรรมที่สำคัญที่สุดเลยตราบใดที่เรายังไม่รู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจเรายังต้องเวียนไหวใยเกิดอยู่ในกองทุกนี้ไม่มีที่สิ้นสุดชาิแล้วชาิเล่าไปเรื่อยๆั้นถ้าเข้าใจ รู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจมีสมาทิฏฐิเต็มบริบูรณ์ขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วก็เราจะข้ามพ้นโลกได้ก่อนจะเทศเมื่อกี้ก็มีคนมาถามหลวงพ่อว่านิพพานเป็นยังไงนิพพานเป็นไงนิพพานเป็นสภาวะที่พ้นจากกิเลสไม่มีกิเลสนะเมื่อไม่มีกิเลสนิพพานก็เลยพ้นจากความปรุงแต่งถ้ามีกิเลสมันก็มีความปรุงแต่งนิพพานเป็นสภาวะที่พ้นจากความทุกข์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 นะ ouais, นะเพราะเรารู้สึกว่ากายนี้ใจนี้เนี่ยมันทุกข์บ้างสุขบ้างมันมีทางเลือกเพราะฉะนั้นใจเราเนี่จะดิ้นรนหาความสุขตลอดเวลานะอยากให้ร่างกายเป็นสุขอยากให้จิตใจเป็นสุขเราดิ้นรนที่จะหนีความทุกข์ตลอดเวลาก็อยากให้กายพ้นทุกข์อยากให้ใจพ้นทุกข์เนี่ยความอยากมันเกิดขึ้นเพราะเราไม่รู้ความจริงว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้นๆ้นเราคิดว่ามันทุกข์บ้างสุขบ้างเราก็เลยเกิดความอยากอยากให้มีความสุขอยากให้พ้นจากความทุกข์ เมื่อความอยากเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจิตใจจะยิ่งดิ้นรนมากกว่าเกา่าจิตใจจะยิ่งดินน้นรนยิ่งปรุงแตง่งยิ่งฟุ้งซ่านมากกว่าเกา่าจิตใจหาความสุขหาความสงบไม่ได้แล้วพอมีความอยากเกิดขึ้นจิตใจก็จะเข้าไปยึดถือในสิ่งต่างๆขึ้นมาถ้าเราไม่อยากมันก็ไม่ยึดนะ ม, มันมีความอยากขึ้นมาพวกจิตยานเข้าไปยึดไปเกาะสิ่งต่างๆเอาไว้มาเป็นตัวเราของเราทนะีแรกก็ยึดตัวเราก่อนเนี่ยกายนี้เป็นตัวเรา จิตใจนี้เป็นตัวเราทั้งๆ ท, ที่ความจริงมันไม่ใช่ตัวเราเราสั่งมันไม่ได้จริงร่างกายมันเป็นของโลกเป็นวัตถุธาตุเรายืมวัตถุธาตุมาเบื้องต้นยืมเซลจากพ่อแม่มาคนละครึ่งเซลนั้มารวมกันขึ้นมาถัดจากนั้นก็มีอาหารมีน้ำมีอากาศอะไรมาหล่อเลี้ยงก็ เ, เติบโตขึ้นมานะวันหนึ่งก็ต้องคืนให้โลกเขาไปนี่มันเป็นของโลกมันเป็นสมบัติของโลก จิตใจนี้เป็นธรรมชาติรู้ที่เกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปอยู่ตลอดเวลาถึงวันหนึ่งมันก็ต้องคืนให้โลกเหมือนกันเราไม่เคยเห็นสิ่งเหล่านี้เลยเมื่อเราไม่เคยเห็นสิ่งเหล่านี้นเราไม่เข้าใจหรอกว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเร า, เ, ราเห็นว่าเดี๋ยวก็สศกเดี๋ยวก็ทุกขนะ์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเมื่อยังมีทางเลือ ก, อกมันจะดิ้นรนไม่เลือกไม่เลิกหรอกแต่ถ้าเมื่อไร่มันเห็น แ, แจ้งว่ามันทุกข์ล้วนๆเนี่ยมันจะหมดความดิ้นรนหมดความอยากทันทีเลย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 เพราะมันเป็นตัวทุกข์จะอยากให้มันสุขได้อย่างไรมันเป็นตัวทุกข์จะอยากให้มัน้นทุกข์ได้อย่างไรนี่เรามาเรียนรู้เพื่อให้เห็นความจริงของกายเราก็จะหมดความยึดถือในกายถ้าเราเรียนรู้ให้เห็นความจริงของจิตใจจิตใจนี้เป็นทุกข์ล้นๆนมีแต่ทุกข์มากกว่ทุกข์น้อยนะไม่ใช่มีทุกข์กับสุขความอยากจะให้จิตเป็นสุขจะไม่เกิดขึ้นความอยากให้จิตทนทุกข์จะไม่เกิดขึ้น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 เรียนรู้เพื่อวันหนึ่งจะแจ้งในความจริงนะว่าจริงๆแล้วกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆแต่ถ้าเขาเป็นทุกข์ของเขาอยู่แค่นั้นเราไม่เดือดร้อนด้วยนี่พอเราไปยึดถือเอากายเอาใจมาเป็นตัวเราเป็นของเราขึ้นมาพอกายมันทุกข์แล้วเราก็รู้สึกเราทุกข์จิตมันทุกข์เราก็รู้สึกมันทุกข์แท้จริงกายมันทุกข์แท้จริงจิตมันทุกข์ไม่ใช่เราทุกข์เนื้อหาภาวนาจนเห็นความจริงเลยกายไม่ใช่ตัวเราจิตไม่ใช่ตัวเรา กายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆความจริงสองข้อ น, นี้แหละที่เราต้องเรียนรู้ถ้าเราได้เรียนรู้ความจริงจนเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตนี้ไม่ใช่ตัวเรานั่นเป็นภูมิธรรมของพระโสดาบันนะเราไปไม่หลงผิดติดต่อไปแล้วถ้าเมื่อไห ร, เรไ่เราภาวนาไปเราศึกษาเรียนรู้ความจริงเจนเห็นในยกนะายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆจิตเป็นทุกข์ล้วนๆถ้าเห็นอย่างนี้ได้มันจะสลัดคืนกายคืนจิตให้โลก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 ท่า น, นเห็นความจริงแล้วว่ามีแต่สภาวะธรรมเป็นของโลกนะมีแต่สภาวะธรรมที่เกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปอันนี้หลวง พ, พ่อปูพื้นให้เห็นภาพกว้างๆก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยลงว่าวิธีปฏิบัติยังไงที่เราจะได้เห็นความจริงว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวเราใจนี้ไม่ใช่ตัวเรากายนี้เป็นทุกข์ล้นลนจิตนี้เป็นทุกข์ล้นๆ้นถ้าเมื่อไหร่เห็นว่ากายใจเป็นทุกข์ล้นๆนนะมันจะไม่ยึดถือนะ ที่เรายึดถือสิ่งต่างๆเพราะเราไม่เห็นทุกเห็นโทษอย่างตอนเด็กๆนะเด็กเมืองไทยเด็กเมืองนี้อาจจะไม่มียังเห็นฐานไฟแดงๆนะถานติดไฟใครเคยเห็นฐานใครเคยเห็นไหมอยู่ที่นี่เคยเห็นบ้างไหมนะ เ, เวลาทํากับข้าวบางอย่างตนะ้ใช้ฐานนะปิ้งปลาปิ้งอะไรนะสมัยโบราณถานนะั้นมันสวยนะเวลามันติดไฟ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 เราก็ยังยึดยังถืออยู่เราก็แบกเอาความทุกข์อยู่เรื่อยไปถ้าวันใดเราเห็นความจริงว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆจิตเป็นทุกข์ล้วนๆเหมือนฐานไฟแดงๆเลยไม่ใช่ของดีของวิเศษต่อไปแล้วจะไม่หยิบขึ้นมาอีกละ ว, วางแล้ววางเลยเพราะนตัวที่จะทําให้เราปล่อยวางได้อย่างแท้จริงนั่นคือตัวปัญญาคือตัวความเข้าใจที่ถูกต้องนั่นเองลําพังการปล่อยวางด้วยสมาธินั้นตื้นมากแต่ทําสมาธิก็วางได้ชั่วคราวพอออกจากสมาธิก็กลับไปยึดใหม่ ในการทำสมาธิแก้ปัญหาได้ชั่วคราวเหมือนคนไม่สบายนะเป็นโรคอะไรร้ายแรงแล้วนะหมอให้กินยาแก้ปวดหรือฉีดยาแก้ปวดให้การทำสมาธิก็เหมือนยาแก้ปวดเท่านั้นเองแก้ปัญหาชั่วคราวเดี๋ยวก็หมดฤิ์ยานะกลับมาปวดอีกยังไม่ได้แก้ที่ต้นต่อของโรค ก, นะการเจริญปัญญาเนี่ยเป็นการแก้ต้นต่อของโรคเลยถ้าทำสำเร็จแล้วนะก็ไม่เป็นโรคอีกแล้วนะใจก็พ้นจากความทุกข์ทั้งปวง เนืสิ่งเหล่านี้นะชาวพุทธเราไม่ค่อยมีโอกาสได้เรียนเพราะเราคิดถึงการปฏิบัติธรรม ท, ทีไรเราก็จะไปนั่งสมาธิให้จิตนิ่งๆิ่งไปเดินจงกรมให้จิตนิ่งๆนะมีวิธีฝึกตั้งมากมายเยอะแยะไปหมดเลยแต่จริงการทําสมาธิทําให้จิตสงบเนี่ยเป็นเรื่องไม่ยากเท่าไหร่หรอกถ้ารู้หลักหลักของการทําสมาธิมีนิดเดียวเองคือน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุข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 เราจะเห็นได้นะถ้ารู้วิธีนี่ก่อนจะไปถึงการทำํำวิปัสสนาหลวงพ่อจะแถมเรื่องสมถานิดหนึง่งสมถาการทําจิตให้สงบอยู่ในอารมณ์เดียวนะให้รู้จักเลือกให้รู้จักเลือกอารมณ์ถ้าคนไหนอยู่กับพุโทโธแล้วมีความสุขเราอยู่กับพุโทโธคนไหนหายใจมีความสุขอยู่กับลมหายใจนะสมถะเนี่ยไม่เลือกอารมณ์นะแช่อารมณ์อะไรก็ได้อารมณ์หมายถึงสิ่งที่จิตไปรู้เข้าคือตัว objective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 การพิจารณาปฏิกู ล, กลพิจารณาอสุภาเนี่ยพิจารณาเห็นร่างกายเป็นปฏิกูลอสุภาเนี่ยเป็นเรื่องของการทําสมถะนะเพราะปฏิกูลอสุภาเนี่ยไม่ใช่วิปัสนาไม่มีสภาวะทำรองรับนะอย่างเราเห็นซากศพนะเราบอกว่าสศกโศกแมลงวันบอกหอมมากชื่นโลกชื่นใจนะเนี่ยมันไม่มีสภาวะที่แท้จริงรองรับเป็นเรื่องที่เราคิดคิดเอาแต่ละคนก็คิดไม่เหมือนกันได้สมมุติไม่เหมือนกันได้บัญญัติไม่เหมือนกันได้ การทำสมาธิทำสมถะนะใช้อารมณ์ของบัญญัติก็ได้เช่นเราบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยนะใจชอบพุทโธก็อยู่กับพุทโธไปจิตก็สงบหรือจะอยู่กับสัมมาระหังอยู่กับนัมมะพะทาะบริกรรมอะไรก็ได้นะบริกรรมกระทั้งชื่อแฟนยังได้เลยเมื่อก่อนนี้หลวงพ่อไปเรียนจากหลวงพ่อพุทธฐานิโยที่โคราชหลวงพ่อพุทธเล่าให้ฟังว่ามีพระบดใหม่อีกองหนึ่งเป็นพวกปัญญชนนี่แหละ มาบวชท่านให้บริกรรมพุทโธากฎบริกรรมพุทโธพุทโธไม่กี่คำนะองค์เนี้ยจิตของท่านหนีไปบริกรรมชื่อแฟนท่านฝบริกรรมชื่อแฟนนะท่านตกใจรีบมากราบหลพระพุทธบอกใจผมทําบาปมากแล้วผมทจีงพระพุทธเจ้าไปหาแฟนละนะหลวงพ่อพุธ ท, ท่านบอกให้บริกรรมชื่อแฟนไปเลยนะเพราะจิตมันชอบนะท่านก็โออาจารย์บอกให้บริกรรมชื่อแฟนได้นะสบายใจ ไปใจบริกรรมไปด้วยนะจิตสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวได้นะเพราะงั้นอารมณ์ของสมถะเนี่ยอารมณ์ที่คิดเอาเองก็ได้นะหรือเราคิดพิจารณาร่างกายเป็นปฏิกูลเป็นอาสุภะนะหรือเราฝึกพลังปราณฝึกโยคะฝึกชี้กงฝึกอะไรอย่างเงี้ยนะให้จิตมันสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวเป็นสมถะได้ทั้งหมดเลยนะอารมณ์ชนิดที่2องเาเรียกว่าอารมณ์รูปนามเป็นอารมณ์ปรมัตนะเป็นอารมณ์ที่มีจริง รูปธรรมสิ่งที่เป็นรูปธรรมก็คือธาตุดินน้ำไฟลมอะไรพวกนี้เป็นรูปธรรมนะอารมณ์ที่เป็นนามธรรมาเช่นความสุขความพุกกุศลอกุศลทั้งหลายนะนี่เพื่อเป็นนามธรรมานะเราใช้อารมณ์รูปนามนะมาทำสมถะก็ไดนะ้เช่นเรานั่งเพ่งเห็นร่างกายมันหายใจเราเพ่งอยู่กับลมหายใจเพ่งไปเรื่อยให้จิตสงบอยู่กับลมหายใจจิตไม่หนีไปไหนเลยนะเพ่งอยู่ที่ลมหายใจเงี้ยก็ได้ความสงบเหมือนกัน หรือเพ anyway. the the ่งอยู่ที่จิตจิตนี้ไปคิดแล้รู้ทันจิตก็กลับมาสงบจิตนี้ไปคิดแล้รู้ทันจิตก็กลับมาสงบอย่างนี้ก็ทําสมถะได้นะอารมณ์ชนิดที่สาอารมณ์แรกนะคืออารมณ์บัญญัติคือเรื่องที่คิดขึ้นเองอารมณ์ชนิดที่สองเนี่ยเป็นอารมณ์รูปนามรู้สึกอยู่ที่กายรู้สึกอยู่ที่ใจอหลายคนไปฝึกภาวนาอย่างดูท้องฟองยุบนะจิตไปจาะอยู่ที่ท้องท้องท้องฟองยุบอยู่นล้วไปเพ่งอยู่ที่ท้องอันนี้เป็นสมถะนะ ไม่ใช่วิปัสนามันจิตเป็นเพ่งอยู่ในอารมณ์ัเดียวนะอารมณ์ชนิดที่สชื่อพระนิพพานอารมณ์นิพพานแต่พวกเราไม่สามารถเอาพระนิพพานมาทําสมถกรรมาฐานไดนะ้เพราะพวกเราเป็นบุตุชนบุตุชนไม่เคยเห็นนิพพานเพราะฉะนั้นจะไปเอานิพพานมาทำสมถานี้ทำไม่ได้นะอารมณ์นิพพานเนี่ยจะใช้ทําสมถานได้เฉพาะพระริยะบุคคลขึ้นไปนะถ้าเป็นพระโสดาสกตาคาพระนาคาเียังไม่แจ้งพระนิพพาน เคยเห็นพระ น, นิพพานแต่ไม่แจ้งวิธีที่จะเอาอารมณ์นิพพานมาเป็นอารมณ์นะก็ต้องดูจากรูปนามก่อนดูรูปนามเป็นไตรลักษณ์ไปเรื่อยจิตวางรูปนามที่เป็นนิพพานแต่ถ้าเป็นพระละหันเนี่เวลาท่านคิดถึงพระนิพพานนั้นนิพพ า, านอยู่ต่อหน้าต่อตาท่นมานาสิกา น, น้อมใจถึงพระ น, นิพพานจะเห็นต่อหน้าต่อตาสัมผัสจิตเข้าสัมผัสพระ น, นิพพานเลยมีความสุขอยู่ตรงนั้นเลยแลนะอารมณ์อย่างเนี้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 วิปัสนากรรมฐานเนี่ยหมายถึงการที่เรามาเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจของสิ่งซึ่งเคยประกอบกันเป็นตัวเราอันนี้แหละสิ่งที่เรียกว่าตัวเราตัวเราก็คือขันห้าบางทีก็แยกออกไปเป็นอายตนาหนะสิ่งที่เรียกว่าตัวเราแยกเป็นขันห้าก็ได้เช่นเป็นรูปมีรูปนะมีเวทนาคือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์สัญญาคือความจําได้ความหมายรู้สังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วปรุงไม่ดีไม่ชั่ว วิญญาณเป็นความรับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจคือจิตที่ไปเกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยสิ่งที่เรียกว่าตัวเรานัมันก็คือไอ้ห้าอย่างนี้มารวมกันหรือบางคนเขาไม่แยกเป็นขันห้าแต่เขาแยกเป็นอายตนาหนะสิ่งที่เรียกว่าตัวเราประกอบด้วยอะไรประกอบด้วยตาหูจมูกลิ้นกายตาหูจมูกลิ้นกายมันจริงๆก็รวมลงมาเป็นรูปนั่นเองใช่ไหมแล้วก็ใจใจก็คือนามาทำทั้งหลายนะ แยกอย่างนี้ก็ได้แยกได้อีกหลายแบบนะแยกเป็นาธาตุก็ได้นะธาตุสิอย่างแยกเป็นอินทรีย์22อย่างก็ได้นะแล้วแต่จะแยกรวมความคือแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยออกเป็นส่วนย่อยๆแล้วเพื่อจะได้เห็นว่าแต่ละส่วนย่อยๆนั้นไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงวิธีการอย่างนี้เรียกว่าวิพัฒชวิธีนะวแหวนสลัยพอสำเพอไม้หายอากาศชอช้างดับเบิ้ลชอเลยนะชอช้างสองตัว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 กันชนไม่ใช่รถยนต์ตัวถังไม่ใช่รถยนต์เบาะไม่ใช่รถยนต์เครื่องยนต์ก็ไม่ใช่รถยนต์ถังน้ํามันก็ไม่ใช่รถยนต์ใช่ไหมเกียร์ อ, อะไรเนี่ยเบรกเลิกเนี่ยแต่ละอย่างแต่ละอย่างพอแยกออกไปแล้วไม่ใช่รถยนต SI ์เนี่ยพระพุทธเจ้าใช้วิธีนี้แหลเพื่อจะมาสอนให้เราเห็นว่าตัวเราไม่มีแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆนะวิธีแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆนะขั้นแรกต้องฝึกให้จิตเป็นคนดูให้ได้ก่อน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 งันจิตต้องตั้งมั่นก่อนจิตตั้งมั่นเนี่ยคือสมาธิที่เมื่อวานหลวพ่อบอกสมาธิชนิดที่สองงั้นขั้นแรกนะก่อนที่จะมาแยกตัวเป็นชิน้นชิ้นได้มาฝึกให้จิตตั้งมั่นซะก่อน <S <S <ๆ>วิธีฝึกให้จิตตั้งมั่นเนี่ยใช้วิธีรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดจิตไหลไปคิดทั้งวันแหละเรารู้ทันมันเราเบื้องต้นเราจะพุโทโธก็ได้หายใจก็ได้นะแต่ว่าไม่ใช่ทําเพื่อน้อมจิตจะอยู่กับพุโทโธไม่ใช่ทําเพื่อน้ อ, นอมจิตจะอยู่กับลมหายใจ แต่ทำเพื่อรู้ทันเวลาจิตหนีไปคิดพอจิตห น, นีไปคิดเรารู้จิตหนีไปคิดเรารู้ใจเราจะตั้งมั่นขึ้นมาจะไม่ไหลอย่างนี้จิตหนีไปดูใช่จิตหนีไปฟังเนียมันจะออกไปนอกหมดเลยจิตหนีไปคิดจิตก็ไหลออกไปข้างนอกจะไม่ตั้งมั่นให้เรารู้ทันจิตที่ไหลไปคิดนะจิตจะตั้งมั่นขึ้นมามีสมาธิที่แท้จริงขึ้นมาสมาธิอย่างนี้ไม่ใช่สมถะละเป็นสมาธิที่จะใช้เดินปัญญา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 ไม่มีนิสัยจะไปโอ้โหอะไรนั่นหรอกแต่ไม่รู้จะยกตัวอย่างอะไรให้ฟังหลวงพ่อไปเรียนจากหลวงปู่ดูลย น, นะหลวงพ่อทําสมถะตั้งแต่เจ็ดขวบทําอยู่ยี่สิบสองปีนะขึ้นวิปัสสนาไม่เป็นไม่รู้เลยว่าวิปัสสนาเป็นไงก็คิดแต่ว่าถ้านั่งสมาธิไปเรื่อยเวันหนึ่งจะบรรลุมรรคผลนิพพาน้านั่งมายีิบสองปีไม่เห็นมันจะบรรลุอะไรเลยนะมีแต่สงบอย่างเดียวพอไปเจอหลวงปู่ดูลท่านสอนให้ดูจิตใจตนเองหลวงพ่อก็มาดูเลยอะจะดูจิต ด, ดูจิตจะดูยังไง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 มันอยู่กับความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ทำสมาธิขึ้นมาใจมีความสุขทําสมาธิใจมีความสุขขึ้นมาดูลงไปในความรู้สึกสุขความรู้สึกสุขดับไปไม่เห็นมีจิตโผล่ขึ้นมานั่งให้นานเลยคนนี้นั่งให้นานให้มันปวดให้มันเมื่อยนะปวดเท่าไหร่ก็ไม่กระดิกเลยนั่งดูไปในความรู้สึกปวดดูตั้งนานเนยความรู้สึกปวดหายไปเพราะมันชาความมันชาแปลว่าหายปวดไม่เห็นมีจิตโผล่ขึ้นมาเลย ก็จิตก็ไม่ใช่ความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์นะหรือว่าจิตคือความคิดคิดอย่างนี้จงใจคิดเลยคิดบทสวดมนต์พุทโธสุสุทโธกรุณามหัสนวโรพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดังห้วงมหันต์นบพอคิดบทสวดมนต์นะใจไปรู้ว่าจิตคิดเข้าพอเรารู้ว่าจิตคิดท่า น, นจิตรู้ก็เกิดขึ้นมาเลย ไ, ได้เคล็ดลับนะถ้าเมื่อไหร่รู้ทันว่าจิตคิดนะจิตรู้จะเกิดขึ้น จิตรู้อยู่ในกายนี่แหละแต่ไม่ได้อยู่ตรงไหนของกายจิตรู้เป็นคนรู้เวทนานะแต่ไม่ได้อยู่กับเวทนามไม่ได้อยู่ตรงไหนของเวทนามคนละส่วนกันเนี่ยคนที่เคยฝึกมานะพอจิตตั้งมั่นขึ้นมาปุ๊บขันมันจะแยกเลยมันจะแยกตอนเด็กๆสักสิบขวบได้มั้งสักสิบขวบบ้านหลวงพ่อเป็นตึกแถวนะบ้านในตอนเด็กๆอะไฟมันไหม้ใกล้ๆบ้าน ห่างไปสามสี่ห้องหรือห้าห้องอะไรจำจำนวนเลขไม่ได้ชัดนะรู้แต่ว่าไฟมันไหม้พอเห็นไฟไหม้นะตกใจพอตกใจเนี่ยลุกขึ้นวิ่งจะไปบอกพ่อไปเล่นอยู่หน้าบ้านนะเล่นอยู่หน้าบ้านพอเห็นไฟไหม้ลุกขึ้นมาวิ่งจะไปบอกพ่อเก้าที 1, ่หนึ่งเก้าที่สองพอเก้าที่สามปุ๊บนะมันไปเห็นจิตที่ตกใจเข้าไปเห็นจิตที่ตกใจนะจิตมันดีดผางออกมาเป็นคนดูเลยพาจิตมันดีดออกมาเป็นคนดูได้ มันเห็นร่างกายมันยืนอยู่นะจิตเป็นคนดูเนี่ยขันมันแยกเลยนะนี่พวกเราบางคนเนี่ยขันแยกได้เร็วบางคนมันไม่แยกถ้ามันไม่ได้เจริญปัญญามาแต่ก่อนๆนะขันมันไม่แยกง่ายเราต้องช่วยมันวิธีที่จะหัดแยกขันนะคือพอใจเราเป็นคนดูแล้วค่อยๆสังเกตลงไปใจเป็นคนดูเนี่ยเกิดจากการรู้ทานจิตที่หนีไปคิดนะแล้วใจมันจะเป็นคนดูขึ้นมา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 มันจะเห็นร่างกายเนี่ยเหมือนร่างกายของคนอื่นนะเวลารู้สึกเนี่ยมันจะรู้สึกเหมือนร่างกายคนอื่นแล้วใจเราเป็นคนดูอยู่หัดแยกไปด้วยฟังแรกๆอาจจะยากนะฟังแรกๆอาจจะยากจริงๆแล้วการปฏิบัติไม่ยากอะไรถ้าทำค่อยๆทำไปไม่รีบร้อนนะไม่ยากหรอกนั่งสบายๆเอาทุกคนนั่งอยู่แล้วใช่ไหมนั่งอยู่แล้วทาใจให้สบายยิ้มก่อนยิ้มหนึ่งทีเนี่ยสังเกตไหมตอนยิ้มแล้วใจเราคลายออก มีความสุขเห็นไหมเนี่ยเห็นร่างกายพยักหน้าไหมนะดูไปสบายๆดูด้วยใจที่โปร่งโล่งเบามีความสุขนี่แหละนะดูไปรู้สึกดูไม่ได้ดูด้วยตานะแต่แค่รู้สึกด้วยใจถึงความมีอยู่ของร่างกายนะรู้สึกไปสบายๆนะกระดุกกระดิกหน่อยอทุกคนขยับมือขยับมือซิขยับสบายๆนะ ขยับสบายไม่ต้องอย่างนี้นะเกรงงนี้ไม่ได้เรื่องหรอกนะสบายสบายนะให้รีแลกซ์นะให้ผ่อนคลายใจเราเป็นแค่คนดูเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเราเป็นคนดูค่อยๆฝึกอนะ่นะเดี๋ยวกลับไปบ้านลองไปทํานะอแต่ต้องบอกคนที่บ้านก่อนนะว่าทําอะไรเดี๋ยวเขารู้เป็นโรคอะไรไปแล้วชักดิน้นชักงออะไรอย่างนี้นะขยับขยับไปนะค่อยๆฝึกเราจะเห็นเลยร่างกายเนี่ยเป็นวัตถุธาต จิตเป็นคนไปรู้ว่าร่างกายมีอยู่จิตเป็นคนรู้ว่าร่างกายมันเคลื่อนไหวนี่พอเรารู้กายกับจิตแยกออกจากกันแล้วเราก็แยกให้มากขึ้นไปอีกเราเห็นในเวลาเรานั่งไปนานๆนะมันปวดมันเมื่อยมันคันมีไหมคันใครมานั่งแล้วยังไม่คันเลยมีไหมมีเยอะแยะมีไหมไม่มีหรอกจริงๆเดี๋ยวก็คันโน้นเดี๋ยวก็คันนี้นะแต่ไม่รู้ตัวพอคันขึ้นมาก็เก่าเลย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 ความปวดความเมื่อยกับร่างกายเนี่ยเป็นคนละอันกันนะแล้วมันไม่ใช่จิตเด้วมนเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านี่เป็นหักแยกขันนะนี่ถ้าอยากดูให้ละเอียดขึ้นไปอีกเรานั่งให้นานนานนั่งเอาให้ปวดมากๆเลยพอนั่งไปปวดมากๆเนี่ยใจเริ่มทุรนทุรายแล้วร่างกายปวดความปวดอยู่ที่ร่างกายแต่ความทุรนทุรายมาเกิดขึ้นที่จิตไม่ค่อยๆหอยหสัเงเกตไป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 ค่อยๆแ ย, ยกขันส่วนวนตัวสัญญาขันความจำได้หมายรู้ปล่อยทิ้งไปก่อนสัญญาเป็นการหมายรู้ผิดๆอยู่ตลอดเวลาอย่างเราหมายรู้ของไม่เที่ยงว่าเที่ยงจิตใจของเราเนี่ยเกิดดับตลอดเวลาเราไปสำคัญมั่นหมายว่าจิตใจของเราเที่ยงจิตใจของเราเดี๋ยวนี้ก็จิตใจของเราตอนเด็กเป็นคนเดิมจิตใจของเราเดี๋ยวนี้ก็จิตใจของเราตอนเย็นเป็นคนเดิมเนี่ยเรามีสัญญาวิปลา เห็นของไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นของเป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นของไม่ใช่ตัวเราว่าเป็นตัวเรานั้นสัญญาเนี่ยปล่อยมันไปก่อนนะค่อยไปเรียนรู้ที่หลังตอนนี้มาเรียนรู้ร่างกายตัวรูปรูปไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเวทนาคือความปวดเมื่อยความสุขความทุกข์ทั้งหลายนะเกิดที่กายก็ได้เกิดที่จิตใจก็ได้จิตใจเป็นทุกข์ก็ได้จิตใจเป็นสุขก็ได้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 ค่อยคหาสังเกตไปพอจิตเราโกรธขึ้นมาค่อยๆดูไปที่ความรู้สึกโกรธดูอย่างสบายสบายอย่าลืมคําว่าสบายนะเรียนจากหลวงพ่อประโมทนะต้องมีคําว่าสบายนะเราสู่ขาปฏิปทานะเราไม่ต้องทุกขามากหรอกสบายแล้วมันจะได้สมาธิทําใจให้สบายเอาตอนนี้ยิ้มก่อนยิ้มหนึ่งทีก่อนสังเกตไหมตอนยิ้มเนี่ยจิตมันเปลี่ยนเลจิตมันจะลาคลายตัวออกรู้สึกไหมแต่ถ้าเครียดมากๆแล้วแก้งยิ้ม ไม่มีผลอะไรนะต้องยิ้มด้วยความสบายใจพอใจสบายแล้วมาดูต่อเห็นไหมความรู้สึกสบายเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าความรู้สึกสบายนะความรู้สึกมีความสุขนี่ตัวเวทนาเห็นเวลามีความสุขขึ้นมาเราชอบไหมตัวความชอบนี่เป็นตัวสังขารนะเป็นความเป็นความชอบนะความไม่ชอบความเกลียดความรักความเกลียดเนี่ย เป็นตัวสังขารนะความสงบความฟุ้งซ่านเป็นตัวสังขารค่อยๆดูไปอย่างความโกรธเกิดขึ้นค่อยๆดูไปจะเห็นเลยว่าความโกรธเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าความโกรธไม่ใช่จิตหรอกนะการที่เราหัดแยกขันเนี่ยจะได้อะไรขึ้นมาการแยกขันเนี่ยเป็นจุดตั้งต้นของการที่จะทามิปัสสนากรรมฐาน ม, มันมีสเต็ปมันใช่ไหมหลวงพ่อไล่มาเรื่อยๆนะเริ่นะมอตอ้นถ้าจิตฟุ้งซ่านทาความสงบ ให้จิตสงบจิตสบายถัดจากนั้นจิตไหลไปคิดให้รู้ทันเราจะได้จิตผู้รู้พอเราได้จิตผู้รู้แล้วเราแยกขันธ์นะกายส่วนกายจิตส่วนจิตเวทนาคือความสุขทุกข์ก็ส่วนเวทนาสังขารคือความปรุงดีความปรุงชั่วเช่นความโลภความโกรธความหลงก็ส่วนของสังขารจิตก็ส่วนของจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่เราหัดแยกพอแยกได้แล้วเนี่ยเราจะค่อยๆเห็นเลยว่า ขันแต่ละขันสภาวะแต่ละสภาวะนั่เกิดขึ้นแล้วดับไปทั้งสิ้นเช่นรูปที่นั่งอยู่เนี่ยอยู่ช่วคราวแล้วก็หายหายไปกลายเป็นรูปที่ยืนรูปที่ยืนอยู่ช่วคราวแล้วก็หายไปกลายเป็นรูปที่เดินตัวรูปนี้ดูยากมากนะตัวรูปนี้ดูยากมากอย่างรูปยืนเดินนั่งนอนเนี่ยไม่ใช่รูปแท้ๆหรอกมันยังไม่ใช่รูปจริงๆรูปจริงๆคือธาตุสี่เนี да? ่ยดูยากมากเลย อย่างเรารู้สึกถึงลมหายใจเข้าที่เย็นพอหายใจออกนะลมเย็นเปลี่ยนเป็นลมร้อนอะไรเงี้ยอันนี้ดูธาตุที่เปลี่ยนเห็นธาตุไม่คงที่เลยกระทั่งธาตุลมที่ลมที่หายใจเข้าไปนะก็มีธาตุไฟที่เปลี่ยนไปในลมหายใจมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอยู่ครบเลยนะในผมหนึ่งเส้นมีธาตุดินน้ำไฟลมอยู่ครบเลยวนน้าลายออกมาในน้าลายนี่มีธาตุดินน้าไฟลมอยู่ครบเลย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 ตัวนี้เป็นตั ว, ตวทธาตุดินนะตัวอ่อนตัวแข็งนี่เป็นธาตุดินดินไม่ใช่ดินอย่างนีนะ้เพราะฉะนั้นตัวรูปนี่ดูยากที่สุดเลยในขณะที่นา ม, มาทำทั้งหลายเนี่ยไม่มีอะไรซับซ้อนความโกรธก็คือความโกรธความโลภก็คือความโลภงั้นโดนลงไปนะถ้าเราดูธาตุไม่ออกนะดูนา ม, มาทำไปเราจะเห็นเลยว่าความสุขเป็นอย่างนี้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 ถ้าถามว่าใครเคยอิจฉาบ้างหลวงพ่อก็ยกด้วยแหลวะวะนะสมัยก่อนก็เป็นผู้ชายกลัวไหยผู้ชายรู้จักกลัวไหมผู้ชายนะตามสังคมต้องบอกกล้าหาญใช่ไหมความจริงผู้ชายกลัวนะก็กลัวเป็นเหมือนกันโดยเฉพาะกลัวเมียนะผู้หญิงขี้ขลาดนะแต่ผู้ชายไปกลัวไอ้คนขี้ขลาดนะเมื่อก่อนมีในพลคนนึงนะแต่ไม่เอ่ยชื่อนะ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 อายุถ้าอ่อนกว่าหลวงพ่อนี่โอกาสเจอท่านนยากล ะ, ะท่านสิ้นไปตั้งแต่ปีหนึ 4, ่งสี่โมกราหนึ่งสี่ท่านเจ้าคุณนอท่านบอกว่าพระโสดาบั น, นเห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับพระอระหันต์เห็นสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับนะธรรมะของภาคปฏิบัตินี่มันมากเลยนะในปริยัติไม่พูดถึงขนาด น, นี้เลยนี่ท่านพูดได้เลยว่าพระโสดาเห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับไป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 เมื่อมีแต่สิ่งที่เกิดแล้วก็ดับมันก็ไม่มีสิ่งใดที่เป็นตัวตนถาวรอยู่ถ้าเข้าใจว่าสิ่งที่ประกอบเป็นตัวเราเนี่ไม่ใช่สิ่งที่เป็นตัวตนถาวรเนี่ยเราเป็นพระโสดาบันแล้วแต่ว่าไม่ใช่คิดเอาเองไม่ใช่คิดเอาเองนะกระบวนการที่จิตจะตัดสินความรู้ปิงออกมาเนี่ยมีกระบวนการของมันอยู่นะอย่างทีแรกเราหัดดูกายดูใจของเราไปหรือหัดดูความรู้สึกไป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 แต่ก็ทิ้งไปไม่ได้ก็อยู่กับมันนะคล้ายๆเบื่อภรรยานะแต่ทิ้งไม่ได้ต้องอยู่กับมันไปก่อนอย่างเงี้ยนะเราก็เหมือนกันเราหนีธาตุขันไม่ได้นะถึงมันจะน่าเบื่อก็ต้องทนอยู่กับมันไปก่อนดูไปด้วยนะก็ต่อไปค่อยๆทําใจได้นะใจค่อยเป็นกลางนะใจเป็นกลางก็อยู่กับมันไปแบบเห็นแต่ทุกข์เห็นแต่โทษไม่เห็นแต่ของดีเลยมีแต่เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับสุดท้ายเนี่ยใจจะเข้าไปสู่ความเป็นกลางเพราะปัญญา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 มันเท่าเทียมกันหมดเลยระหว่างสุขกับทุกข์มันก็จะไม่ต้องไปหนีท mm ุกข์วิ่งไปหาสุขถ้ามันเห็นวนะ่าดีกับชั่วนั้นเท่าเทียมกันคือเกิดแล้วก็ดับด้วยกันทั้งสิ้นมันก็ไม่เกลียดความชั่วไม่ได้หลงรักความดีนะแต่ใจจะทําชั่วไม่ไ <ovat S 1> ด้เด็ดขาดเลยนะเพราะความชั่วเกิดเมื่อไหร่สติระลึกปั๊บเลยความชั่วจะดับอัตโนมัติเราไม่ต้องกลัวว่าเราจะชั่วถ้าเจริญนิพพานนาแล้วเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าจะชั่วเลยเพราะความชั่วเกิดปุ๊บมันเห็นว่ามันดับทันทีนะะสติรลึกก็ดับ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 เห็นไหมโอ้ยกเกือบหมดเลยส่วนพวกที่เหลือคือพวกไม่ยอมรับความจริง <c oughs> ใจพุ่งสร้างใจแฉลบซ้ายแฉลบขวาทั้งวันนะเนี่ยเมื่อใจเรามันแป่งอย่างนี้นะก็ดิ้นไปด้วยนะไม่สงบสุขแต่ถ้าเมื่อไหร่มีปัญญาเห็นว่าทุกอย่างนียเท่าเทียมกันนะใจจะหยุดดิ้นนะเวลาความสุขเกิดขึ้นก็ไม่หลงยินดีใจก็ไม่ดิ้นเพื่อจะรักษาความสุข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 อจิตเข้าอัปปนาสมาธิแล้วมันจะไม่ไปอยู่เฉยนะบางบางระดับก็ยังมีร่างกายอยู่นะเพราะฉนั้นพระโสดาสกทาคานาคาผ้าระหันเวลาที่ท่านตัดกิเลสเป็นพระโสดาสกทาคานาคาผ้าระหันเนี่ยจิตเข้าฌานจริงแต่ว่าตั้งแต่ฌานที่หนึ่งขึ้นไปฌานที่หนึ่งสองสามสี่ได้หมดเลยลในในฌานที่สี่เนี่ยถ้าใช้อารุปเป็นอารมณ์นะมันจะเข้าอารุ ป, ปรฌานะอารุ ป, ปรฌานทั้งหมดเนี่ย ถือว่าเป็นชาตที่4ทั้งหมดเลยนะจะเข้าได้หมดเลยตลอดเนี้ยนรวมแล้ว8ชาตนะรูป4ี่อรูป4ี่อรูป4ี่อย่างก็จริงๆก็คือรูปประชันคือชาตที่4เหมือนกันนะตรงที่จิตเข้าชาตแล้วเนี่ยมันไม่ไปอยู่เฉยเพราะมันเคยเจริญปัญญามาแก่กล้าแล้วนะจิตเข้าชาตแล้วเนี่ยจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตสติระลึกรู้ลงที่จิตโดยที่ไม่ได้เจตนาระลึก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 นี่สภาวะเนี่ ย, าายจะเกิดขึ้นชั่วแว บ, บเดียวนะขนาจิตเดียวท่านั้นเองนะพอทวนเข้าถึงธาตุรู้จริงๆแล้วคราวนี้อริยามรรคมันจะเกิดขึ้นมันจะแหวกสิ่งที่ห่อหุ้มจิตเราออกไปทั้งหมดเลยนะจิตจะเข้าถืออริยผลเกิดความว่างความสว่างและความเบิกบานขึ้นภายในห mm hmm. ลวงปู่ดูลท่านเรียกความเบิกบานตรงนี้ว่าจิตยิ้มจิตยิ้มถัดจากนั้นจิตจะหลุดออกมาจากฌานนะ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 เรากส็สังเกตตัวเองเพราะจิตมันตัดกิเลสแล้วเนี่ยสำรวจดูว่ากิเลสอะไรยังมีอยู่กิเลสอะไรล้าแล้วกิเลสที่ล้าแล้วนั้นล้าขาดเตดขาดจริงหรือไม่จริงหรือแค่ข่มเอาไว้หลายคนคิดว่าเกิดอริยามารรยาผลนะแล้วก็บอกว่าไม่มีกิเลสเลยแต่ความจริงจิตเข้าไปล็อกนิ่งๆอยู่จิตเข้าไปล็อกตัวนิ่งเฉยอยู่นะแล้วบอกว่าไม่มีกิเลสนะตรงนั้นไปติดสมถะอยู่แล้วกิเลสเกิดไม่ได้ เลยไปคิดว่าไม่มีกิเลสจริงๆไม่ได้บรรลุมรรคผลอะไรเลยก็มีนะแล้วสารวจตัวเองดูการรู้ทานกิเลสจึงเป็นข้อดีนะการรู้ทันกิเลสแทนกิเลสเกิดแล้วดับกิเลสเกิดแล้วดับเนี่ยได้ทํำวิปัสสนาจนกระทั่งบรรลุมรรคผลนะหรือคิดว่าบรรลุมรรคผลแล้วต้อมาดูกิเลสนี่อีกถ้ายังมีกิเลสเหลืออยู่นะอย่างพระโสดายังเกิดความสําคัญมั่นหมายนะความเห็นผิดว่ากายนี้เป็นเราจิตนี้เป็นเรา ไม่ใช่โซดาจริงแล้วเป็นพระโซดาแล้วไม่ใช่โสดาดอกนะหรือว่าเป็นพระอราหันต์เป็นพระอราหันต์ยังประคองจิตยังรักษาจิตอยู่นะรักษาจิตทรงไม่เด่นดวงมีความสุขอย่างนั้นทั้งวันทั้งคืนไม่ใช่พระอราหันต์หรอกแล้วก็หลวงพ่ออยู่กับหลวงปู่ดุลนะมีวันหนึ่งนั่งอยู่กับท่านท่านนั่งเก้าอี้โยกหลวงพ่อก็นั่งที่พื้นเนี่ยเวลานั่งอยู่กับครูบาอาจารย์ปฏิบัตินะ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 นั่นพูดอย่างนี้นะว่าส่วนมากเป็นผีใหญ่เรานี่คันปากยิบิบยิบนะเห็นในจิตนี่คันคันอยากถามว่าผีใหญ่เป็นไงครับเงียบไว้ก่อนเงียบนะแล้วหลวงปู่ก็พูดแค่นั้ น, นไม่พูดต่อนะไม่พูดต่อเราก็ไม่ถามออกจากหลวงปู่มาเราไปถามพระอุปัฏฐากนะว่าเออหลวงปู่พูดว่านักปฏิบัติส่วนมากเป็นผีใหญ่เป็นยังไงท่านบอกอ๋อหมายถึงเป็นปรุม ภาวนาแล้วไปเป็นล่มนะไม่พ้นทุกข์จริงหรอกไปภาวนาแล้วก็สงบสว่างนิ่งสบายวิตติยู่แค่นั้นแหละอย่างมากก็เป็นผ้านาคา ม, มีเพราะยังประคองรักษาจิตอยู่นะยังยึดถือจิตอยู่ว่าเอาไว้เป็นเจ้าของอยู่นะยังยึดถือจิตอยู่นี่เราก็เลยได้ความรู้อ๋อผ้าระหันเนี่ยต้องไม่ยึดถือจิตนะถ้ายังยึดถือจิตยังสงวนรักษาจิตอยู่ไม่เป็นพระลหันหรอก นี่อยู่มาจนกระทั่งอีกสามวันหลวงปู่ดุลจะมรณภาพไปกลับท่านครั้งสุดท้ายท่านก็สอนธรรมะมาตั้งแต่บ่ายนะจนกระทั่งค่ำท่านหอบแล้วหอบอีกหลวงพ่อก็สงสารท่านมากเลยแต่ท่านพูดไม่หยุดท่านสอนต่อเนื่องโอ้ยธรรมะท่านนมากมายมหาศาลที่ท่านถ่ายทอดท่านเล่าเล่พูดพูดพูดบรรยายสภาวะธรรมส่วนใหญ่เรื่องจิตอะไรให้ฟังเรื่องอริยสัจเรื่องอะไรอย่างเงี้ย ฟังๆอยู่ท่านเหนื่อยมากนะสักค่าแล้วหลวงพ่อก็ได้จังหวะพอดีท่านหยุดหอบอยู่ในบอกหลวงปู่ครับหลวงปู่เหนื่อยมากแล้วผมจะลากลับแล้วหลวงปู่ก็บอกว่าจะกลับแล้วเหรอยังกลับไม่ได้นะต้องจําไว้นะพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทําลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเข้าใจไหมไม่เข้าใจครับแต่จะจําไว้ตรงนี้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 วันรุ่งขึ้นหลวงพ่อออกจากสุรินไปกราบหลวงพ่อพุธที่โคราชพอหลวงพ่อพุทธท่านเจอหน้าหลวงพ่อท่านก็ถามไงนักปฏิบัติท่านไม่รู้ชื่อหลวงพ่อท่านเรียกหลวงพ่อว่านักปฏิบัติไงนักปฏิบัติคราวนี้หลวงปู่สอนอะไรรู้ว่าหลวงพ่อไปเรียนจากหลวงปู่ดุลตั้งแต่ไปเรียนกับหลวงปู่ดุลนะทุกครั้งที่ออกแขวหลวงปู่ดุลมาเนี่ยต้องแวะหาหลวงพ่อพุทธแล้วท่านก็จะถามว่าหลวงปู่สอนอะไรหลวงปู่สอนอะไรคราวนี้ท่านก็ถาม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 เนี่ยขนาดหลวงพ่อพุธสอนหลวงพ่ออยู่ทุกคราวที่เจอนะท่านยังไม่แย่งเลยไม่แย่งว่ามาสิเราจะสอนให้ไม่บอกเลยนะมีแต่บอกว่าถ้าเรารู้แล้วเรามาแลกเปลี่ยนกันนี่ผ่านมาหลายปีนะผ่านมาหลายปีจนหลวงพ่อพุธใกล้จะมรณภาพหลวงพ่อไปเจอท่านท่านประเทศที่องค์การโทรศัพท์ตอนนั้นหลวงพ่ออยู่องค์การโทรศัพท์หลวงพ่อพุทธเทศรษก็เข้าไปกราบท่านหลวงพ่อครับ ผมไม่พบหลวงพ่อนานละท่านบอกว่าหลวงพ่อจำได้นักปฏิบัติมีไม่มากหรอกเรียนท่านอีกบอกว่าหลวงพ่อครับผมยังทำลายผู้รู้ไม่ได้เลยหลวงพ่อพุดท่านนะหน้าตาท่าทางท่านเปลี่ยนไปเลยนะองอาจห้าวหารมากเลย ท, ทั้งทงที่ป่วยมากนะท่านพูดออกมาอย่างเฉียบขาดเลยบอกว่าจิตผู้รู้เปรียบเหมือนฟองไข่เมื่อลูกไก่เติบโตเต็มที่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 ท่านพูดถึงการทำลายตัวผู้รู้อย่างห้าวหาญขนาดนี้นะภาวนาอีกนานนะภาวนามาเรื่อยทำลายผู้รู้ไม่ได้หรอกจิตลึกๆมันรู้อยู่ว่าขาดอะไรบางอย่างรู้อยู่ว่าไม่รู้อะไรบางอย่างถึงปล่อยวางจิตไม่ได้นะมันรู้อยู่แค่นี้ไม่รู้ว่าไม่รู้อะไรนะเต่อมาค่อยศึกษาจากครูบาอาจารย์เพิ่มเติมอะไรไปก็ค่อยรู้ขึ้นมา อ๋อมันไม่รู้อริยสัจถ้าเมื่อไรมันรู้อริยสัจนะมันจะปล่อยวางตัวจิตได้เพราะฉะนั้นการที่จะเข้ามาทาลายผู้รู้ทาลายปล่อยวางตัวจิตได้นะต้องรู้แจ้งอริยสัจอันนี้เราแถมไว้ให้นะพวกเรายัางไม่ถึงตรงนี้หรอกแต่บอกไว้ก่อนนานๆนนเจอกันทีเกิดหลวงพ่อไม่อยู่แล้วเกิดจะถึงตัวผู้รู้แล้วจะได้ทาลายผู้รู้ได้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 นะไม่ได้เรื่องหรอกเรือแต่ไข่ดานะนะพอมีจิตแล้วนะก็คอยรู้คอยดูของเราไปนะเฝ้ารู้เฝ้าดูเรื่อยไปถึงจุดหนึ่งเนะี่ยเมื่อสติปัญญามันบ่มเต็มที่แล้วเนะี่ยมันจะปล่อยวางจิตด้วยตัวของมันเองนะนี่สอนให้แบบละเอียดแล้วนะไม่มีใครเ้าสอนอยู่หรอกนะอย่างนี้สอนแล้วมันเปลืองตัวนะ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 ยังมีวิชายังมีความไม่รู้แจ้งถึงอริยสัจซ่อนอยู่ภายในจิต ด, ดวงเดียวนี้แหละพาเราเวียนไหวไตเกิดไปสู่ภพภูมิใหม่ๆสร้างขันห้าใหม่ขึ้นมาได้อีกนะ เ, เหมือนมเมล็ดมะม่วงสร้างต้นมะม่วงออกลูกมะม่วงมาได้อีกเยอะแยะเลยจิต ด, ดวงเดียวที่ยังมีเชื้อเกิดคือไม่รู้อริยสัจอยู่เนี่ยมันทาให้เราได้ขันห้าขึ้นมาอีกนะในภพภูมิต่างๆเวียนไหยไปเรื่อย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 นะเพราะงั้นมันไม่ได้สาระแก่นสารจริงเราก็ต้องมาพัฒนาจะให้เกิดความสุขที่ทเกิดจากปัญญารู้แจ้งเห็นจริงปล่อยวางความยึดถือในธาตุในขันเราจะเป็นอิสระที่แท้จริงมนุษย์นะฝ่าหาอิสระภาพนะแต่ละคนแต่ละคนก็บอกตัวเองเป็นอิสระตัวเองเป็นอิสระความจริงไม่มีใครเป็นอิสระเลยทุกคนตกเป็นทาตของความอยากตลอดเวลาความอยากเป็นสั่งเราตลอดเวลานะเราไม่ได้เป็นตัวของตัวเองหรอก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 เราต้องเจอคนนี้ถึงจะมีความสุขถ้าไปเจอคนนี้ไม่มีความสุขทำไมเราต้องยิงอาศัยของข้างนอกเราต้องมีรถยี่ห้อนี้ถึงจะมีความสุขถ้ามียี่ห้อนี้ไม่มีความสุขอะไรเงี้ยต้องมีมือถือรุ่นนี้ไม่มีรุ่นนี้ไม่มีความสุขอะไรเงี้ยยิงอาศัยของข้างนอกตลอดเลยต้องมีบ้านหลังใหญ่ๆก็มีความสุขบ้านหลังใหญ่ๆภาระเยอะจะตายไปแล้วมีแต่ภาราอาเฮียจะสุขตรงไหนเลย นะวันๆแทนที่จะได้เข้าบ้านแล้วนอนให้สบายนะทำความสะอาดแป๊บเดียวนอนได้แล้วที่บ้านหลังเบลอหรือไปทำแทบตายนะทำจนหมดแรงหอบแพ้งแห้งไม่มีความสุขตรงไหนอ่ะนะงั้นเราคอยดูนะเราจะได้พบความสุขภายในตัวของเราเองนะความสุขที่ไม่ยิงอาศัยของข้างนอกแมนะเศรษฐกิจจะตกต่ำการเมืองจะวุ่นวายไม่ได้มาทำให้ใจของเราเสียความสุขไปได้นะอะไรเกิดขึ้นคนที่เรารักจะตาย เราจะต้องเจอสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตอะไรเนี่ยจิตใจไม่หวั่นไหวเลยจิตใจจะเต็มอิ่มอยู่ในตัวของตัวเองเนี่ยธรรมะของพระพุทธเจ้าอัศจรรย์ถึงขนาดนี้นะยังอัศจรรย์หลังจากนี้ก็มีอีกอยากฟังไหมแต่มันหมดเวลาแล้วนะเดี๋ยวจะว่าหลวงพ่อไม่ตรงเวลา <c ười> คือในเมื่อเมื่อเราปล่อยวางจิตได้แล้วนะ จิตมันจะพลากออกจากขันจิตกับขันห้าเนี่ยไม่กระทบกระทั่งกันอยู่ด้วยกันนะแต่ไม่กระทบกระทั่งกันคําว่าจิตพลากจากขันเนี่ยไม่ใช่พลากออกมาเป็น2องอันไม่ใช่ถอดจิตออกจากกายนะจิตก็อยู่อย่างปกตินี่แหละแต่จิตมันไม่ยึดขันมันจะมีความรู้สึกเหมือนจิตกับขันแยกออกจากกันไม่ใช่ถอดออกไปนอกร่างกายนะจิตกับความรู้สึกสุขทุกข์ก็แยกออกจากกันพลากออกจากกันนะจิตกับความปรุงแต่งความคิดนึกปรุงแต่งก็พลากออกจากกัน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 กระจายตัวความร้อนเนี่กระจาย ต, ตัวเต็มโลกธาตุออกไปาธาตุรู้เนี่ยเหมือนกันาธาตุรู้เนี่ยพอถึงจุดนั้นนะมันจะทิ้งขันแล้วขันแตกขันดับแล้วนะไม่มีขันมาเป็นเครื่องผูกรั้งเกาะเกีเ่ยวอีกต่อไปแล้วมันจะกระจายตัวรวมเข้ากับพนิพันธ์นะจิตกับพนิพานเข้าไปสัมผัสกันนะความจริงสัมผัส ต, ตั้งแต่บรรลุพระอราหันต์แล้วละแต่ยังมีขันเป็นตัวทวงอยู่เพราะฉะนั้นพระอราหันต์เวลาที่ใกล้จะมรณภาพใกล้จะนิพันธเนี่ย ท่านล่าเริงนะจะไม่เหมือนพวกเราเวลาใกล้ตายจะบางทีเสียดายเศร้าโศกจิตใจไม่สบายในขณะที่พระละหันเนี่ยท่านครองขันอยู่เนี่ยท่านมีความรู้สึกว่าท่านแบกภาระอยู่ขันเป็นภาระที่ต้องคอยดูแลอยู่พอขันจะแตกถ้าจะแตกขันจะดับเนี่ยกล้เป็นความสบายของท่านแต่ท่านก็ไม่ได้อยากให้มันแตกนะเพราะใจท่านเป็นกลางกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนั่นพระละหันไม่ได้กลัวตายแต่พระละหันก็ไม่ได้อยากตาย เป็นภาวะที่อัศจรรย์นะพลังงานที่เหลืออยู่นะจิตท่านนั้นกลมกลืนเข้ากับความว่างไปแพลังงานนั้นไม่สูญหายไปไหนเพั้นพลังจิตของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์แต่ละพระองค์งยังดำรงอยู่นะถ้าพวกเรามีสมาธิพอจิตใจเราสะอาดพอเนี้ยเราจะสัมผัส พ, พระพุทธเจ้าได้นะเราจะรู้สึกสัมผัส พ, พระพุทธเจ้าได้ ครั้งหนึ่งมีคนลูกศิษย์หลวงปู่ดู่ใครๆได้ยินชื่อหลวงปู่ดู่บ้างนะหลวงปู่ดูเป็นพระโพธิสัตว์นะลูกศิษย์หลวงปู่ดูไปถามหลวงปู่ดูบอกว่าเนี่ยไปอ่านหนังสือจิตคือพุทธะของหลวงปู่ดูลลงปู่ดูลสอนถูกหรือเปล่าเรื่องจิตที่ไปนิพพานเนี่ยหลวงปู่ดูบอกว่าถูกลูกศิษย์หลวงปู่ดูก็ถามหลวงปู่ดูเลยบอว่าถ้างั้นที่หลวงปู่ดูสอนก็ผิดสิหลวงปู่ดูสอนเนี่ยมีพาลูกศิษย์ไปไหว้พระพุทธเจ้า ในวิมานแก้วในพันิพานอีกนะท่านบอกก็ถูกของท่านเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นคนละอันกันที่เท่าที่ไปสัมผัสได้ไปเห็นได้อะไรเนี่ยเป็นพุทธนิมิตนะถ้าพูดสมัยพวกเราเนะี่ยคือเป็นพลังงานที่ท่านจิ้งเอาไว้นะที่เราสัมผัสได้พระจิตของเรากระทบกับพลังงานนี้นะจิตจะแปลสภาพพลังงานนี้ออกมาเป็นสมมุติบัญญัตนะิก็จะเป็นรูปอย่างนี้เป็นบางทีคุยได้ด้วยซ้ํานะบางทีเทศได้ด้วยซ้ํานะ แต่อย่าคิดนะว่าพราะนิพพานเป็นอย่างนั้นอันนีพานเลยนั้นไปอีกท่านสอนดีนะสอนดีไม่ต้องทะเลาะกันเลยอย่างบางคนนั่งสมาธิแล้วเห็นพระพุทธเจ้าถาว่าเห็นไหมก็เห็นเหมือนกันนะจะถามว่าพระพุทธเจ้าหรือเปล่าจริงๆเป็นพลังงานของพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าหรอก<ม>ค่อยฝึกไปนะสิ่งที่เราไม่รู้สิ่งที่เราไม่เห็นนั้นมีอีกมากแต่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนไว้เพราะมันไม่เกี่ยวกับความทุกข์และความพ้นทุกข์ในการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์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 เวลาเรามีความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยเราพึ่งคนอื่นยากนะยิ่งมาอยู่เนื่ยญาติพี่น้องก็ไม่ค่อยจะมีอะไรเนี่ยลำบากเราไม่ไมค่อยจะมีที่พึ่งเท่าไหร่หรอกนะเราพึ่งธรรมะนะแต่ร่างกายเจ็บป่วยอยู่นะหรือล้มละลายยากจนลงอะไรเนี่ยใจมีธรรม ะ, ะใจเราก็มีความสุขอยู่ได้นะมีข้าวกินแต่และ ว, วันพอรอดตายเราก็มีความสุขอยู่ได้แล้วล่ะนะไม่ต้องรวยมหาศาลหรอก แต่ว่าถ้ารวยได้ก็รวยนะพระเทเจ้าไม่ได้บอกว่าห้ามรวยเป็นคารวาสรวยได้นะแต่เป็นพระห้ามรวย <c oughs> แต่อย่าไปโกงเขาเนาะแล้วอยากรวยต้องทำงานนะอยากได้คาถาไหมอยากได้นะตลงพ่อบวดใหม่ๆอยู่เมืองการวันหนึ่งนะไปบินธบัตก็มีผู้หญิงคนหนึ่งใส่บาท ใส่บาตเสร็จแล้วนะใส่ข้าวนะถือปิ่นโตตามมาวัดด้วยมาถึงวัดก็มาบอกเลยจานจารย์เป็นพระกรรมฐานขอหวยเห็นโอ้หลวงพ่อไม่รู้หวยหรอกถ้ารู้หลวงพ่อซื้อแล้วละ่ะโอ้เขาก็รู้สึกพระองค์นี้ไม่รู้หวยอาจารย์มีมีของขลังไหมที่พอมีแล้วรวยอะ่ะ ไม่มีสมาชยังไม่รวยเลยนะว่าพระองค์นี้หวยจริงๆรงนะความนับถือนี่ลดลงแล้วชักจะมองปิ่นโตแล้วลงทุนไม่ค่อยคุ้มค่านะบอกอ่างวัตถุมงคลก็ไม่มีงั้นขอชายจีวรหน่อยนะขอตัดผ้าจีวรนหน่อยตัดไม่ได้เรามีอยู่ผืนเดียวโอ้พระอะไรวะแย่ทุกอย่างเลยสุดท้ายก็ถามแล้วมีคาถาไหมที่ท่องแล้วรวย มีอยากได้ไหมอยากได้อา้าวจาไว้นะข้อหนึ่งอุทานสัมปทาขยันหาทรัพย์อย่ามัวรีรองานสุจริตนั่นมีเกียรติพออย่ารั้งรอเร่งทํากินเร็วไวโอ้ไม่เอาคาถาอย่างนี้ไม่เอาคาถาอย่างนี้จรนะิจริงเพื่อเจ้าสอนเรานะให้ขยันทํามาหากินนะพอได้มาแล้วรู้จักรักษาไว้ใช่ไหมไม่ปล่อยให้ทรัพย์วอดวายนะแล้วก็การครบกับคน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 ให้มึงรวยบ้านนี้อยู่แล้วรวยอะไรเงี้ยโอ้ทำไม่เป็นอย่างนั้นมันไม่มีจริงหรอกทุกอย่างขึ้นอยู่ที่กฎแห่งกรรมคือการกระทาของเราเองนะอย่าไปหวังอะไรลมๆแรงๆหลวงพ่อได้ยินมาว่าคนไทยในอเมริกาเนี้ยชอบเล่นการพนันนะ อ, อย่าเล่นเลยนะอย่าเล่นเลยไม่ดีหรอกถ้าเล่นก็เล่นกับสามีเราเองพนันกันเองนะเงินไม่ออกจาก บ, บ้าน หรือพนันกับภรรยาเล่นกันอยู่สองคนนั่นแหละนะปลอดภัยดีนะอยากเล่นก็เล่นกันแค่นั้นแหละอยู่ไปเล่นที่อื่นนะพอเรื่อยังวันนี้จริงๆสิ่งที่หลวงพ่อสอนให้นะเหลือเฟือสำหรับการปฏิบัติแล้วนะสอนให้ตั้งแต่ต้นทางเลยนะจนถึงปลายทางของการปฏิบัติแล้งไม่ใช่เรื่องนั่งสมาธิเฉยๆนะแค่นั้นไม่พอหรอก น่าสมาีิแล้วก็ต้องมาทำวิปั ส, สนาเจริญปัญญาเรียนรู้ความจริงของกายใจจนปล่อยวางความยึดถือกายใจได้ใจสัมผัสความสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนนะอาวันนี้เอาเท่านี้นะใครจะมีความจำเป็นจะคุยกับหลวงพ่อเพิ่ส่งกันบ้านกราบหลวงพ่อครับผมอยากอยากทราบว่าการฝึกเจริญวิปัสนาและกรรมฐานและสมถกรรมฐาน อย่างคนธรรมดาสามัญ น, นะฮะเวลาเข้าอัปปมาสมาธิอัปจารสมาธินะฮะเรจะถึงฌานฌานสมาบัติจนคารวัตรมีสิทธิจะถึงอภิญญาหกหรือเปล่าครับอภิญญาหกนะอย่าว่าแต่คารวัตรเลยพระยังได้ยากเลยอภิญญาหกเนี่ยเป็นความสามารถพิเศษเป็นปัญญาพิเศษเฉพาะตัวนะสะสมกันนานนะหลายภพหลายชาติหรอก แล้วบางทีได้ก็ได้ไม่ครหกอันนะได้อย่างละนิดอย่างละหน่อยอะไรเนี้ยแต่ว่าอยู่ที่ฝึกเอาเอาล้างกิเลสดีกว่าเนาะล้างกิเลสเนี่ยมันเห็นต่อหน้าต่อตามันพ้นทุกต่อหน้าต่อตาอาิญญาเทวทัศน์ได้ปิญญาห้านะเทวทัศน์ได้ปิญญาห้าขาดปิญญาหกข้อที่หกคือการล้างกิเลสของเราได้ข้อหกข้อเดียวพอแล้วปิญญาห้า 5, ไม่ต้องได้ก็ได้เดี๋ยวเป็นรูกสิทธิ์เทวทัศน์ไป แล้วอีกอย่างนะฮะเวลาเราตายแล้วจิตเราเดินทางจะไปสวรรค์หรือไปนรกเนี่ยแล้วจิตเราเดินทางเราเรารับรู้ต่างๆนะฮะเรารับรู้อะไรนะจิตที่เราจะเดินทางว่าเราตายปุ๊บวิญญาณเราจะจิตและ ว, วิญญาณที่เราจะไปตนกนรกหรือขึ้นสวรรค์จิตเราเดินทางใช่ไหมครับไม่ใช่จิตเกิดที่ไหนจิตก็ดับที่นั้นนะเวลาในขณะจิตสุดท้ายที่เราจะตายเนะีจิตมันจะหมุนนะ เรียจุดตีจิตนะมันเคลื่อนเคลื่อนจากพบนี้แล้วก็ดับลงไปแต่ในขณะที่มันเคลื่อนตัวอยู่ในพบนี้แหละก่อนที่มันจะดับเนี่ยมันเหนียวนําเกิดจิตในดวงใหม่ขึ้นในพบใหม่เรียบร้อยแล้วมันไม่ใช่จิตตัวเดิมถอดออกจากร่างไปเกิดใหม่นะแต่ว่ามันถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดไปยังจิตดวงใหม่แท้จริงจิตไม่ได้มีดวงเดียวจิตเกิดดับอยู่ตลอดเวลาถ้าเราหัดภาวนาเฝ้ารู้จิตอยู่เรื่อยๆ เ, เราจะเห็นนะ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 ไปกลับมานี่เป็นไปได้ไหมคะท่านได้แล้วจิตของโยมตอนนี้เป็นปกติไหมตอนนี้โยมตื่นเต้นค่ะนะกดไว้หรือเปล่ากดไว้นิดหน่อยค่ะเออไม่ใช่เหมือนจิตปกติใช่ไหมค่ะให้รู้ทันน ะ, ะจิตขณะนี้อยู่ข้างในหรืออยู่ข้างนอกอยู่นอกค่ะจิตออกนอกน ะ, ะลองย้อนกลับไปดูจิตสิเข้าได้ไหมไดเด้งออกไหมพอ ไ, ไปดูมันดีดออกไหม เนี่ยไหลออกไปเปล่าออกค่ะนะให้รู้ฐานน้าว่าจิตไหลออกไปค่ะแสดงว่าอะไรแสดงว่าสมาธิไม่พอแล้วล่ะค่ะยังไม่ได้เพ่งนะคะท่านือยังไม่ได้เพ่งไม่ได้เพ่งนะแต่ว่าทําสมาธาบ้างนะพุทโธไปอะไรไปแล้วจิตไหลออกไปแล้วรู้พอจิตไหลเราแรู้รู้รูเนี่ยนะจิตจะเข้าฐานตอนนี้จิตไม่เข้าฐานนะค่ะนักาการคะท่านอ่า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 ปฏิบัติสมถะตั้งแต่เด็กนะครับแต่ um, เพิ่งประมาณปีก่อนเริ่มที่จะตามรู้ตามดูแล้วก็อยากรู้ว่าทำถูกหรือว่ามีแม่หลวงพ่อมีคําแ น, นแะนําหรือเปล่าครับคือขณะนี้เพ่งอยู่รู้ไหม He says that now you're over focusing you're bringing your attention do you know that you're doing that เอานถ้าจะทําสมถะแล้วก็เพ่งอยู่ไม่เป็นไรเพ่งเบาๆเพ่งสบายจิตก็สงบ แต่ถ้าจะทําวิปะนะัสสนาเนี่ยอย่าไปบังคับให้นิ่ง s mm hmm. o so if you're doing samatha meditation then it's okay to just focus in a little bit in a relaxed way that's fine but if you want to do vipassana then you have to free yourself of any control จิตนี้ไปคิดรู้ไหม you went to think do you know that นะให้คอยรู้ทันจิตที่ไหนไปคิดเนะี so, เราจะได้สมาธิอีกชนิดหนึ่งขึ้นมา So try to keep noticing when the mind goes off to th think, and then you'll have that other type of concentration that arises. ขอบคุณครัขอบคุณเจสเจสไปอยู่ข้างวัดหลวงพ่อมาตั้งหลายปีแล้วเนี่ยเลยเป็นฝรั่งที่ฟังเทศเยอะที่สุดเลยว่าไงกลาวนมัธการหลวงพ่อปโมค่ะ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 อย่างนีไปค่ะแล้วเวลาที่เผลอไปเนี่ยแล้วรู้ตามพอพอมีสติมารู้ปุ๊บเนี่ยจะรู้ว่ากิเลสมันน่ากเกลียดมากเลยค่ะ อ, อย่าไปเกลียดมันนะกิเลสก็สอนไตรลักษณ์เหมือนกันเท่าๆกับกุศลนั่ น, นแหละค่ะคําถามของโยมคือว่าจะทํำยังไงกับเวลาที่จิตออกไปติดว่างนะะี่ค่ะให้รู้ทันว่าจิตีไปออกข้างนอกจิตไปอยู่กับว่าง ถ้ารู้ทันแล้วมันจะกลับเข้ามาเองแต่ถ้ามันไม่ยอมกลับก็ช่วยมันนิดหน่อย<า>วิธีช่วยนะเอาความรู้สึกจับไว้ที่ลมหายใจแล้วหายใจเข้าไปความรู้สึกมันจะกลับเข้าข้างในมันก็เริ่มกลับเข้าม า, าแต่ว่าใช้วิธีนี้ใช้ครั้งเดียวสองครั้งนะหายใจถ้าไปทำตลอดแล้ว อ, อึนัดตายเลย<า>เชษบอกลูกศิษย์เจสว่าหลงไปคิดแล้วขอบขอบพระคุณพระอาจารย์มากค่ะ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 เห็งกิเลสไหมมีวิธีแก้ไขอย่างนกิเลสหมเห็นครับนะเห็นแล้วเป็นกลางกับมันไหมเห็นบางทียังยังตามใจมันนะฮะให้รู้ทันตรงที่อันแรกเลยสภาวธรรมใดๆเกิดขึ้นรู้ทันอันนี้ใช้ได้อันที่สองนะเมื่อสภาวะธรรมอันนั้นเกิดแล้วเนี่ยจิตยินดีให้รู้ทันจิตยินรายให้รู้ทันให้ใช้หลักนี้เร่อยไป ขอบพระคุณครับแล้วเราจะจะให้มีวิธีปฏิบัติือ mm hmm. มีมีแนวทางปฏิบัติอย่างไรทําในรูปแบบไหมทําพยายามทําทุกวันครับ mm hmm. พยายาม <ทำ S 1> ไปเรื่อยๆดีดีแล้วล่ะขอบพระคุณครับหมดแล้วเนาะมาสุ ก, การหลวงพ่อค่ะเ อ, อที่เมื่อกี้หลวงพ่อบอกว่าจิตนี่เกิดแล้วก็ดับจิตเดิ่เกิดแล้วก็ดับ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 แล้วเรามีเทียนอยู่เราไปต่อเทียนเข้ากับไฟอี ก, อ, ก, อ, กอีกเทียนอีกเล่มหนึ่งไฟติดขึ้นมาพอไฟติดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะบอกว่าไฟอันนี้กับไฟอัน น, นู้นเป็นไฟอันเดียวกันเราก็พูดไม่ได้ใช่ไหมจะบอกว่าไม่เกี่ยวเนื่องกันเลยก็พูดไม่ได้นยนมาสการหลวงพ่ อ, อ, อขนาะเป็นคนลาวเป็นคนลาวบอกเป็ น, ปน <จะ S 1> ไร่าฟังซีดีของ หลวงพ่อมานานแล้วแล้วก็การปฏิบัติก็ลองทำอย่างที่ว่าทำงานไปดูจิตดูใจไปบางครั้งก็ได้ทิดพิท ท, ทาตไปแล้วอยากจะถามอยากจะขอความเมตตาจากหลวงพ่อว่ า, าจะทำจังใดอีกโตไปที่ทำอยู่ทำถูกแล้วนะทำถูกแล้วละ่ะ มองเห็นไหมว่าร่างกายกับใจเนี่ยเป็นโคนละอันกันบางครัง้ ง, งก็เห็นบางครั้งก็เพลิไปเ อ, อเวลาเผลิมันก็ไปรวมกันนะพอรู้ท<ม>านมีสติให้มันก็เป็นโคนละอันกันแต่บางครั้งมันมันมีแต่ความสุขหลายกว่าอยากเฉยๆบ่บ่อยยากเอาบ่อยากเอาอันใดขนหดเป็นคว<บ>ามทุกข<ๆ>์หรือบ่เฉๆอ๋อจิตเป็นเฉยๆ จิตเฉยๆก็ดูไปนะเราไม่ได้ฝึกให้จิตเฉยๆนะถ้าจิตมันพอใจก็รู้ทันจิตไม่พอใจก็รู้ทันจิตเฉยๆก็รู้ทันมันอยากแบบจะว่าอ๋ออันนั่นก็เป็นเหมือนธรรมชาติอ๋อนี่ก็เป็นเหมือนธรรมชาติก็มันเป็นอย่างนั้นแหละก็มันเป็นธรรมชาติแต่อย่าไปบังคับมันนะอย่าไปอย่าไปคิดนําค่อยๆดูค่อยๆรู้สึกไปเรื่อย ถ้าใจใจเราไปคิดนำปุ๊บนะั่นใจมันจะว่างว่างนิ่งนิ่งไปใจเฉยเฉยโดยจังสั้นละคนะนัย อ, อย่าไปคิดนำว่าเดี๋ยวมันก็ดับอันนี้ก็เป็นธรรมชาติอะไรยเงี้ยถ้าเรามีคิดนำแบบนี้นะใจมันจเฉยไปเลยแล้วแล้วมันถึกหรือเบาคะนัยว่างไงนะแล้วมันถึกหรือเปล่าทํา<อ>ทํายังได้มันถูกหรือเปล่าคือถ้าเห็นมันมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปใจเราเป็นกลาง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 เพิ่มเพิ่มความรู้สึกตัวให้แรงขึ้นนิดนึงรู้สึกตัวนะไม่งั้นใจมันจะไปติดนิ่งติดเฉยนะติดนิ่งติดเฉยแล้วก็มันอยากเหนื่อยือมันจะขี้เกียจขี้คลานเฉยเฉยไปนะขี้เกียจก็ไม่ขี้เกียจเก็ดําทาไม่ใช่ไหมถึงขี้ภาษามันไม่ตรงเดี๋ยวกันไม่สื่อกันหมายถึงว่ามันเห็นอะไรก็เหนื่อยเนื่ยนะแปลว่าอะไรว่า คือเห็นอะไรก็เฉยเฉยเมยไปหมดนะมันมันมันจะไม่เอาอะไรอมันไม่เอานะยแต่มันเอาให้ความนิ่งๆเนี่ยมาไปติดให้นิ่งๆโดยมันจะบอกว่าโอ้ยนี่ก็ผ่านไปเพราะว่าครั้งก่อนเขาไหนเคยทําสมถะแล้วก็แยกแยกแยกแยกแยกกายแยกกายไปก็เห็นก็รู้ เดี๋ยวนี Mike> ้มันมันบุเป็นอ oui> ีกแล้วก็ก็บ่อยากเป็นเอกแล้วก็อ๋อลู่แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นคอยดูไปอีกนะดูกายไปแล้วแยกจิตไปด้วยความสุขความทุกข์กับจิตมันคนละอันกันนะกุศลอกุศลกับจิตเป็นโคละอนกันแยกจิตด้วยให้ขอแยกกายคอแยกจิตบ่อยๆจิตจะได้ไม่ติดนิ่งติดเฉยโดยแล้วก็พยายาม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 หลวงพ่อก็าหัดเนื้อแหละดูกายดูใจมาเรื่อยๆส่วนมันจะเป็นยังไงมันก็เป็นของมันเองแหละทำไมไม่ดูจิตตนเองกิ <c oughs> เลสมันลากไปสงสัยครับหลวงพ่อ <c oughs> ครับผมแล้วช่วงนี้นะครับ ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อนะครับที่เมตตาให้ธรรมะกับพวกเราทุกๆคนนะครับวันนี้หลวงพ่อเริ่มต้นตั้งแต่อริยสัจสีนะครับถือว่าเป็นธรรมะขั้นสูงที่พวกเราจะได้นําไปใช้ปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นอย่างแท้จริงนะครับแล้วผมก็ขออนุโมทนากับพี่น้องทุกๆ ท, ท่านนะครับวันนี้พวกเราทำตัวเป็นพุทธมรารากะที่ดีนะครับหน้าที่ของพวกเราคือมีหน้าที่ให้สง์ได้รับประทานอาหารให้อิ่มและสมบูรณ์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 ขอหลวงพ่อได้โปรดให้อภัยเกิข้าพระเจ้าทั้งหลายด้วยเถิด อ, อภัยนะอภัย